ฟังใจฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติตามถ้าฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าพ่เรฒมันอยู่ในใจของไทยของเรา อันพระธเจ้าทรงสั่งสอนเราองค์จะทรงสอนให้คนละกิเลสนั่นแหละความหมายที่แท้จริงนะไม่ใช่สอนอย่างอื่นแต่ลำพังตัวเองแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะไปละกิเลสได้ไม่มีอุบายไม่รู้จักธรรมะ อันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันกิเลสนี่มันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมากำจัดมันจึงค่อยได้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งใดสิ่หนึ่งไม่สร้างอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะมากำจัดกิเลสได้เหมือนอย่างโรคภัยในร่างกายของคนเรานี่แหละ เมื่อมันเกิดมันมีขึ้นแล้วผู้ฉลาดเขาก็ต้องคิดค้นปรุงยาขึ้นมาให้คนป่วยนั่นรับประทานเข้าไปถ้าว่ามันเหมาะเจาะ ก, กันโรคภัยในกายของคนนั้นก็หายไปได้มันเป็นยางนง้นียว่ามันมีโรคอันนี้นะมันมีสิ่งแก้กันไม่ใช่ว่ามันมี ไม่มีคืออย่างมีร้อนแล้วก็มีหนาวแก้อือย่างนี้แหละมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องระงับอถ้าห่ามืดเรื่อยไปอันนี้มันแย่จัดโลกนี้ไม่ไหวแล้วอืมอย่างนี้มันก็มันก็มีสิ่งบันดาลให้เกิดแสงสว่างขึ้นมากําจัดความมืดออกไปอย่างนี้แหละ ทีนี้ในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะ่จะอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักเดี๋ยวก็ตายแน่เลยอันที่มันอยู่ไปได้นี่ก็เพราะว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละก็จึงได้มีหน้าตายยิ่มแย้เมเปลี่ยนใสต่อกัน จึงได้มีอายุยั่งยืนนานไปได้มันมีของแก้กันอยู่นในโลกอันนี้นะแต่แล้วคนเราฟูไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีโอบายแยบภายในใจ เ, เลยจนกรอกต่อกิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันถดค่าไปตามความประสงค์อันนี้เป็นยังไง ดังนั้นนะการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาได้นี่ถ้าหากว่าพูดอย่างกว้างๆแล้วเริ่มเป็นคนมานี่นะ <c oughs> ได้คบหาสมาคมกับนักปราบบัณฑิตผู้ที่เกิดก่อนหรือผู้ที่มีชีวิตมาก่อนแล้วได้มีความรู้ความฉลาดมาก่อน อย่างนี้นะผู้ที่เริ่มมีชีวิตในภายหลังหากบังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเช่นนั้นนะอท่านก็จะแนะนําชักจูงไปให้ทําในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางใดจะเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษท่านจะให้งดเว้นอืนี่แหละเหตุที่ชีวิตของคนเรา มันจะเจริญด้วยความถุกความสบายได้ในขั้นใดๆก็ดีหรือว่าคนที่จะได้มีความรู้ความฉลาดรูด้จักละกทัวทำดีได้อย่างนี้นะมั่อาศัยการได้คบหาสมาคมกับผู้รู้ผู้ฉลาดเนี่ยถ้าเราว่ากันอย่างกงกวงแล้วหรือว่าค้นหาต้นตอแห่งชีวิตของคนเรานี่นะถ้าคนใดแล้ว าวาดศาถนาไม่มีเป็นคนหลงจับกบังเอินได้ไปคบหาสมาคมกับคนพาลคนไม่ดีคนไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรอย่างนี้น้าไปด้วยชี้เลปัญห า, าไปคบกับคนเช่นนั้นคนเช่นนั้นเขาก็ชักจูงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะไม่นำความสุขความเจริญอะไรมาให้ ถ, ถ้าว่าตามหลักแห่งความชั่วแล้วมันก็มีอยู่สี่อย่างคือว่าหลักแห่งความเสริมแห่งชีวิตนะนั่นเนี่ยคนคนชั่วเนี่ยมักจะพอใจในการทำตนเป็นคนเจ้าชู้มักมากไปในการมท่งเสริมการมแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้เพิดเพลินในการมมาคุณ ไม่เป็นอันรรมาหาเรี่ยงชีพอะไร <c oughs> แล้วก็คนเช่นนั้นนะ่ะเมื่อก็ชอบส่องเสพของมุนเมาต่างๆมีสุราเมลัยเป็นต้นแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีส่องเสพสุราเมลัยนั้นไปด้วยแล้วก็อีกนึงก็ชอบเล่นการพนันขันต่อ การงานอันหนักไม่เอาเบาม่ค่อยสู้ชอบแต่หาเงินแบบง่ายๆให้ได้มาง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีในการเล่นการพนันขันต่อไปด้วย <c oughs> แล้วก็ไปชอบขบพาสมาคมแต่คนชั่ว <c oughs> อันนี้เป็นความเป็นมาของคนผู้ที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพอไปคบคนผิดดังกล่าวมานั้นนั่นแหละคนเกิดมาในโลกนี้นะมันจะอยู่คนเดียวเกิดคนเดียวก็ไมได้ต้อเกิดมาก็เกิดมาอยู่ที่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่ใหญ่ ทีนี้ในคนหมู่ใหญ่นั่นเน่ยมันก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วโอนเปกันอยู่อย่างนั้นเลผู้ไม่มีปัญญาก็มักจะไปคบกับคนชั่วนั่นแหละวนันนี้แล้วันนี้คนมีปัญญาก็ชอบที่จะไปคบกับคนดีคนมีปัญญาเหมือนกันนะแต่เพื่อนมีปัญญาสูงกว่าตนตนก็ต้องยอมเป็นลูกศิษย์ลกหา ให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้นี่นะชีวิตของคนเราอ่ะออมันเป็นมาเนะ่ให้พากันดำริตรีตองพิจารณาดูให้ดีการที่คนเรานะ่ะจะรู้สึกสำนึกดีหรือชั่วได้นั่นมันก็ต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอน จากท่านผู้อื่นมาก่อนหรือว่าได้เห็นตัวอย่างท่านผู้อื่นทําความดีมาก่อนเมื่อผู้ใดมีนิสัยดีเห็นผู้อื่นทําดีอย่างนี้ก็ชอบใจนั่นแหละก็เลยหัดเอาอย่างอหัดเอาอย่างผู้ที่ท่านทําความดีนั้นแล้วไปเห็นคนอื่นทําความชั่วนี่ไม่ชอบธรรมดาคนดีทั้งหลายนะเห็นคนอื่นทําความชั่วแล้วไม่ชอบเลย นั่นแหละชีวิตของผู้เช่นนั้นแหละมันถึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้คำว่าเจริญในที่นี้ก็หมายเอาการเจริญด้วยการดำรงชีวิตยอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบเน่นว่าทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการทำนาทำสวนด้วยการค้าการขายด้วยทำราชการงานเมืองก็ดีด้วยการท่างต่างพวกนี้นะจะเรียกว่าตั้งใจทำโดยสุจริตใจจริงๆไม่ทำใจให้คดให้งอต่อหน้าที่การงานต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของงานให้ตรงไปตรงมาเรียกว่า ใครจะมีอาชีพอะไรก็ถือทำเป็นใหญ่ทำการงานให้ตรงต่อธรรมคำสอนของตเจ้าเหัน <c oughs> ถ้าครัว่าดำเนินได้อย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนก็ย่อมมีความุกความเจริญไปได้ตามบุญวัฒนาบารมีของตนของตน ที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตชาติหนหลังอันเรื่องอุปเเพกตาปุญญาตาการที่ได้ทำกุศลความดีมาแต่ฟังก่อนนี้ก็สำคัญไม่น้อยเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีไอ้ผู้ที่มีบุญน้อยถึงแม้ว่าจะทำการงานขยันมันเพียนสักเท่าใดเท่าใดมันก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่คนเขามีบุญมากไม่ได้เลย ทาการงานขยันหมั่นเพียรอย่างไรมันก็จเจริญไปได้เท่าที่บุญกุศลหนหลังจะพึ่งอํานวยให้ได้จะมาสนับสนุนความดีในปัจจุบันนี้ให้ได้เท่าใดมันก็เป็นไปได้เท่านั้นเนาะสำหรับผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาเ่ในอดีตชาติมากอย่างนี้นะมาชาตินี้ก็มาได้กระทําคุณงามความดี ไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอาศัยบุญเก่านั้นมาสนับสนุนมันก็ทำให้เจริญด้วยลาบยศพนเสริญความปุกกายสบายใจขึ้นเราก็เห็นกันอยู่แต่ว่าคนอย่างว่านี่นมีปริมาณน้อยคนที่ไม่สมบูรณ์พูนสุขไี่มีปริมาณมากเล้วเกินในโลกอันนี้เพราะอะไรล่ะ ก็เราสังเกตดูในปัจจุบันนี้ก็ได้คนจำนวนหมู่หนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างบ้านหนึ่งหนึ่งมีคนนับเป็นพันพันขึ้นไปแล้วผู้ที่จะสนใจประพฤติทมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะมีได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองเนี่ยแล้วแล้วอย่างนี้จะไปให้คน ที่เจริญด้วยราบยศพลสรสญและความสุขกายสบายใจมากๆได้อย่างไรอ่ะพวกคนทำความดีนั้นมีน้อยเดียวหนึ่งคนไม่ทำความดีนั้นมีมากมายฮะเราเราต้องสังเกตดูเพระพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนะให้รู้จักช่างสังเกตช่างพินิษพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉย ตาได้เห็นอะไรหูได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ก็ให้ช่างคิดช่างกรองนี่เมื่อเราคิดไปมันก็มองเห็นเหตุเห็นผลแห่งชีวิตท่้งของตนเองและของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อเราคิดเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่แล้วก็มาเพ่งที่นาดูตนเอง่ะตนเองมีบุญมากบุญน้อยเพียงใด ก็รู้ได้เธอรู้ว่าโอ้ตอนนี้มีบุญน้อยอไม่มากาก็จะได้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้มากเข้าไปโดยลําดับจะไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้แหละเพราะมันรู้ตัวนี่แล้วก็มันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าจากอํานวยผลให้เป็นสุขนอกจากบุญจากกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอํานวยผลให้เป็นสุขได้ นี่ต้องต้องเห็นแจ้งในบุญกุศลอย่างนี้ก่อนมันจึงพอใจในการสั่งสมบุญกุศลถ้าหากว่ามองไม่เห็นว่าบุญกุศลจากอํานวยความสุขความเจริญให้ได้อย่างไรมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ละผู้นั้นไม่ย่อมไม่เต็มใจที่จะทําทบุญละ่ะถ้าถึงแม้ทํำก็ทําไปตามหมู่ตามเพื่อนนิสัยเพราะว่าเราอาศัยหมู่เพื่อนอยู่ถ้าไม่ทํากับเพื่อนเพื่อนก็จะรังเกียจเอา ก็ทําทําไปอย่างนั้นแหละทั้งที่ตนไม่ค่อยเชื่ออนุภาพแห่งบุญกุศลนั้นเท่าไรนักนี่คนมันมีหลายประเภทอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในคําสอนนี่ที่นําเอาคําสอนของพระเจ้ามาเ น, น้นําสั่งสอนนี้ก็เพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายนัะนได้ทีนิดทิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ด้วยตนเองอ เมื่อมันเห็นแจ้งในเรื่องบาปมันก็จะละบาปได้จะไม่สั่งสมบาปไว้ในใจเมื่อเห็นแจ้งในบุญในกุศลก็จะขยันมันเพียรสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถไม่ย่อท้อถอยหลังเมืม่อมีโอกาสเราสามารถจะสั่งสมบุญกุศลได้เมื่อไดแล้วก็ทำเมื่อนั้นนี่การสั่งสมบุญกุศล ไม่ไม่ได้เฉพาะแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการนี้บุคคลมาละเอว้นกรรมอันทั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นแล้วก็มาทำาการงานที่ชอบด้วยศิลด้วยธรรมด้วยกฎหมายม่านเมืองเข้าไปอย่างนี้นะกระนี้ชื่อว่าทำความดีอันเป็นมูลเหตุที่จะได้ให้สั่งสมบุญกุศล เพราะเมื่อบคุคคลแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็ต้องมามเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่ยันเป็นถูกไปส่วนหนึ่งแล้วกเ็เลี้ยงเพื่อนผงให้เป็นถูกไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็สงเคราะยาก ด, ด้วยแล้วก็ทาบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายไปแล้วก็บริจาคทานในสมณบั ความผูก้กรพฤตชอบหนึ่งผู้ฉลาดผู้ ร, รัญญาเมื่อหาโอค็ทรัพย์ได้มาแล้วก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆออกไปใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะนี่อะไรว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลนะการทำมาหาเรี่ยงชีโดยทางที่ชอบนี่มันก็เป็นแนวทางให้สั่งสมบุญกุศลไปได้ทางหนึ่ง เดี๋ยวว่าเป็นทางใหญ่เทีเยวแหละจะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องต่ําๆนะคนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตแล้วอย่างนี้นี่มันก็ทําแต่บาปนั่นไงแต่ก็ได้แต่บาปนี่ติดตัวไปคนทํำบาเพราะอาชีพนี่แหละส่วนหลายเลยเพราะอย่างอื่นนั้นมีน้อยอืทํำบาเพราะทํามาหาเลี้ยงชีพนี่มากมายทีเดียวอ่ะ ถ้าผูใดมีปัญญาสามารถหลีกเลี่ยงจากการทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางทุจริตได้แล้วผู้นั้นก็จะ ว, ว่าเป็นผู้มีวาสนานาบุญทีเดียวแล้วก็จะได้ตั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลไปดังกล่าวมานั่นแหละก็สามารถมีศีลบริสุทธิ์ไ응ด้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นเพราะว่าตนขยันมันเพียน หามาได้แล้วอย่างนี้นะพอใช้พอจ่ายอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นต่อไปอแล้วก็จงรักภักดีต่อสามีภรรยาของตนโดยตรงไม่เป็นคนโลภมากโลภอในกามัคิเลตันหาเหล่านี้เกินขอบเขต อ, อย่างนี้มันก็อยู่เย็นเป็นถูกได้ครอบครัวนั้นกบปองดองสามัคคีกัน ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากมากในกามยิ่งไปขัวนั้นแล้วก็ได้เรื่องเกิดทะเลาะวิวาทติดเทียงกันหน่อยหนึ่งก็ยารางกันไปตั้งตัวไม่เป็นฝังเป็นฝาเรียกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลเลยคนเราถ้าใจเสียแค่อย่างเดียวแล้วทาความดีอะไรก็ไม่ได้เลย บางคนก้มใจมนแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาสุราโศกกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโมเนนแก่กุ้มอแทนที่มันจะหายกุ้มไปได้นานไม่เมื่อมันสั่งเมาแล้วมันตกบลุ้มขึ้นมาของเกา่าเอาก็ไปเสพอีกเสพเข้าไปแล้วติดมานี้ติดแล้วก็เอาแล้วเงินมีเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อเอาของเสพติดมาบริโภคก็ลงกลายเป็นคนจนเลยเป็นคนอนาถา เรียกว่าถ้าพูดอย่างคำไม่สุภาพสักหน่อยก็คล้ายๆกับว่าสุนัขจนกรอกนั้นเองแหลอมันเป็นอย่างนั้นคนเรานะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนนะพอที่จะมองเห็นได้แล้วไม่ใช่เหือนิวิตนะถ้าหาวาไปคบคนทั่วเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็จะตกต่ำลงไปอย่างนั้นเนะี่ยหาความจเจริญไม่ได้เลย ดังนั้นการครบคนเนี่ยงชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นทางให้ได้สั่งสมบุญกุศลได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกชนคายกขายิกาเนี่ยได้มาคบหาสมาคมกับพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี้อย่างนี้ พระสองท่านก็จะพยายามแนะนําชักจูงทายกทายกาผู้มีอุปการะคุณนะั่นให้รู้จักการฝังสมบุญกุศลอแล้วก็พยายามแนะนําอุบายให้รู้จักละความทั่วช้าลามกต่างๆที่หากว่าตนลุ่มหลงกระทำมายังละมันไม่ได้ท่านก็จะบอกอุบายวิธีต่างๆให้เอาไปสอนใจตัวเอง ให้เห็นโทษเห็นภัยในการทําความชั่วต่งตางๆเหล่านั้นเข้าไปถ้าววารสาราคมกับพระสงฆ์นั่นติดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยมีหวังผู้นั้นเน่ยมีหวังจะต้องละความชั่วได้หมดมีหวังที่จะได้ทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ที่พูดถึงพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนอบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ว่า จะเป็นพระเป็นเนนที่ดีไปทั้งหมดไม่ใช่ฮะอันผู้มีนิสัยชั่วแต่เป็นขรืหัดแล้วเข้ามาบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็มักจะถือเอานิสัยชั่วติดตัวมาไม่ค่อยจะเห็นโทษแห่งนิสัยชั่วนั้นไม่เพียนพยายามละแล้วแถมมันยังไปชักจูงคนอื่นให้ชั่วไปตามกันพระเรนที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วก็ไป ถลํมคบกับพระที่มีนิสัยชั่วยอย่างนั้นเข้าไปก็กลายเป็นพระเนนที่ชั่วเร็วตามไปตามกันนะนี้หละการคบกันนี่นะมันสำคัญขนาดไหนอะไปคิดดูให้ดีเราต้องพิจารณาเราได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแลวปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทีละลึกอันเปรตแล้วอย่างนี้นะเราต้องมีปัญญาที่ ต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องหัดคิดหัดวิจาร์อย่างที่เคยแนะนำตกเกือนมาแล้วบ่อยๆทีเดียว อ, อย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนั่งภาวนาก็จะไปนั่งงกงงงงงอยู่เฉยๆอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไระไม่มีเพราะนั่นนั่งภาวนานลงไปถ้าเอ า, ามันง่วงมันเหงาเราก็ต้องกำจัดความง่วงนั้นซะก่อนก่อนอื่นทั้งหมดเลย ห า, าวิธีกรรมจัดความวงเอาไว้จนมันหายไปเมื่อความว่งหายไปแล้วกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานที่นี่นั่นแล้วที่นี้จึงเป็น้อมใจลงสู่ความสงบแบบนี้บริกรรมภาวนาลงไปผู้ชอบบริกรรมพุทโธก็พุทโธลงไปพูทโกกับเพ่งลมหายใจเข้าออกก็เพ่งลงไปอย่างนี้แหละ เมื่อจิตใจปลอดโปร่งร้างกายก็ปลอดโปร่งแล้วนี่มันมันสงบลงได้ใจนี่นะเรามีสติสมัชฌัญ น, น้อมลงไปอะไม่ใช่ท่งไปข้างนอกแต่ว่าน้อมเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกน้อมความ ล, ลึกแล้วนะลึกเข้าไปหาดวงจิต น, น้ดวงจิตก็คือความรู้อไม่ได้มีรูปร่างอะไรหรอกความรู้เฉยๆนี่นะหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะนั่นแหละคือจิตเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราเราเพ่งเราพยายามโน้มสติเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกอ น, นันต์ให้ได้อย่าไปสงสัยลังเลอะไรการภาวนาเนะ่ะความหมายนั่นพุกธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็เพื่อให้พุทธวิษัชนนั้นได้น้มสติสัมปชัญญะนี่นะ ยังเข้าไปควบคุมจิตนั้นให้ตั้งมั่นลงไปเป็นหนึ่งอย่าให้จิตนนั้นมันคิดเลื่อนลอยไปทางอื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้นะนี่ฉะนั้นอย่าไปสงสัยลังเลถ้าหากว่ามันจิตมันยังไม่อยู่มันยังวิตกฟีจานไปอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องราคาญเอารู้ว่าจิตยังไม่สงบกบเพ่งเข้าไปอีกเพ่งลมหายใจเข้าออกไปอย่างนั้นเลย เมื่อเพ่งอยู่ไม่ท่อไม่ถอยอ่ะสติมันแ ก, กล้าเข้าไปแล้วความวิตกวิจารไปต่างๆนานาภายนอกนนมันก็เบาลงเบาลงนะนี่แหละเพ่งเรามุ่งสู่ความสงบนี่โดยส่วนเดียวนะในขณะนั้นนะให้ตั้งความรู้สึกในใจว่าอย่างนั้นว่าเรามุ่งความสงบอย่างเดียวเราไม่ต้องการรู้อะไรในขณะนี้นะว่างั้น ถ้าเรามุ่งลงไปอย่างนี้แล้วมันไม่เหลือวิสัยนะแต่บางคนไม่ได้มุ่งอย่างนี้น ะ, ะคันว่ามีสติก็สติลอยลอยโยไม่พยายามเพ่งลงไปหาดวงจิตเช่นนี้แล้วไม่มีทางอนคะือจิตมันจะสงบลงได้นะ้นันั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่ามนเมล็ดเลยเมื่อยล้าอย่าไปย่อท้อ เพราะว่าการทําความเพียรทางใจนี่ก็เหมือนกันแหละกพอเราทํางานอย่างอื่นนะ่ะต้องได้ออกแรงแต่มันออกแรงต่างกันเท่านั้นหรอกออกแรงโดยที่ว่าเราสะกดจิตเราเพ่งอยู่ภายในใ น, นี่อันส่วนงานภายนอกนั่นจะใช้กําลังกายแบกๆหามๆอืมอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแต่งานฝึกจิตนี่ ก็บางครับกายให้มันนั่งนิ่งอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งนี่ละอย่าให้มันโอนเอ็อย่าให้มันก้มนักอย่าให้มันเงยนักอื่อันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องทำต้องทำจริงๆอันนี้ถ้าว่าไม่ฝึกให้กายนี่ตั้งตรงนิ่งอยู่แล้วจิตมันก็นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะถ้าว่าให้ก้มลงก้มลงเนี่ยหน่อยก็หลับแล้ว อ, อย่างนี้แหละ ถ้าวาเงเลยขึ้นไปอย่างนี้ก็เอาแล้วจิตพุ่งแล้วอืมเห็ุนั้นเราต้องบังคับกายให้นั่งนิ่งตรงอยู่ให้ได้อมเมื่อบังคับกายได้แล้ววันนี้ก็บังคับจิตที่วันนี้นะนั่นแหละนี่ขอใช้สำน ว, นวนว่าบังคับแหละวันนี้นะเพราะว่าเราจะไปทําอ่อนแอไม่ได้นะการฝึกจิตนี่นะอเหมือนอย่างเขาฝึกทหารตำรวจวนะั่นอะ ผู้ฝึกนี่ต้องมีอำนาจนอ่ะอือบอว่าซ้ายหันอย่างนี้ก็ต้องซ้ายหันพร้อมกันขวาหันอย่างนี้ก็ขวาหันพร้อมกันหมดเลยอืออย่างนี้แหละวันทยาหัดอย่างนี่ก็เอาพร้อมกันเลยอย่างนี้นายสั่งอย่างไรผู้ทําตามต้องทําตามไปทุกระยะเวลาไปเลยอย่างนี้นะ เช่นนั้นตำรวจทหารมันจึงได้เข้มแข็งอ่ะมันจึงไปต่อสู้กับฆาตึกได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เราฝึกขนจิตใจนี่ก็ต้องฝึกใจฝึกร่างกายเข้มแข็งด้วยเราต้องเข้าใจลักหมาออยความว่างั้นลักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีสิลเหตุนั้นพระองค์เจ้าแสดง อันนี้สงสินว้วยค้ายทําให้ศิลนั่นนะเราต้องมาพิจารณาดูสิศิลนี่เอานวยผลให้บคุคคลถึงซึ่งพระนิพพานดูนะนั่นีองทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่สัตวว่าส่งบุคคลให้ถึงบระนิพพาน้วยนี้ที่จะสวรรค์ได้วนะ่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีศิลนล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลระมุนลำทานนี่นะอ่า ดังนั้นเพราะฉะนั้นให้เรากันเห็นความสัมพันธ์ในสินให้มากๆอย่าไปอ้างน้อนอ้างนี้อะไรเลยเพราะว่าเราม่ต้องไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิรัตเราเองอากโทษวันนั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจากทุกข์ในอาวัยภพทั้งสี่มินนรกเป็นต้น ไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักใจลงต่อสินสนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่าว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนืม่ร้นนอนแหละพอพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้น อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยจีเป็นเทียงเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั่นอีกภายในภายหลังเนี่ยการที่บุคคลจะ ไม่มีบาปที่ทำมาแต่คนหลังนั้นตามมาสนองได้ถ้าต่อเมื่อรู้ตัวแล้วสมทานมันในศีลก็ไว้แล้วก็ไว้พระภาวนาก็ไว้ทำจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพมวิหารสี่ให้มีจิตประกอบกรบเมตตาภาธนาให้สัตว์ทั้งหลาย เป็นศุกร์ทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายความพินาศทิบหายต่างๆนั้นมีจิตป่าสนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคงลองสามกีกันไม่เดียดเดียนซึ่งกันและกันกะรุน่นามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลําบาก ช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากอันนั้นความขัดข้องอันนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้อืมแต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันช่วยไม่ได้เราอย่านี้ก็วาง อ, อเวคาลงไปนึกถึงกรรมของสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทํากรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น ใ่เมื่อ ก, กรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครไปลบล้างได้เราก็นึกถึงกรรมอย่างนี้ก็จะจงวางอุเบกขาลงได้ถ้าถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้วถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเนละเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ล่วงลับไปหรือว่าถึงความบัิดก็เสียอกเสียใจยอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมก็ได้นึกถึงกรรมของกัตดดังนั้นเรื่องกรรมนี่อนะย่าไปลืมจำไว้ให้ดีทั้งทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนนี่นะภาวานาไว้เสมอเสมอท่านบุคคลพู่ไป ละเสียสึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ยอมเมื่อมีไทยถึงความไม่บาดลงก็เสียใจแหละอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นพู้อื่นเขาได้ดบได้ดีกอดแสดงความพอยินดีด้วยเม่อิจฉาการ้อนถ้าหากว่บุคคลไม่มีมุทิศาจิต อยู่อย่างว่านี้คนระัมันก็อิจฉาเลยเป็นคนอื่นเขาได้ลาบได้ยศมีคนสรรเสริญยินยอมมากนี่ครับตนเองไม่ไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนนินทาว่าร้ายอย่างนี้ก็โน้ยเนื้อต่ำใจจิตก็คิดอิจฉาคุณที่ได้รับความยกย่องนั้น เหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่คนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี่แหละมุดมุดที่ทาจิตไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาเสด็จ เ, เข้ามาถูกกุมกบิลพัฒบรรดาพระญาติทั้งหลายใครต้อนรับก็นำน้ำปานะ ไปถวายบ้างตอนนี้ปุวะทรงอวิตาเหล่านั้นก็ไปถามหาแต่ท่านพระอานนท์พระอนุรุทธะบอกภาสาริบุตรพระหมกขลานะพระมหากัตตปะไปอย่างนั้นเลยไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลย พระเทวทัก็ น, น้อยใจแล้ ว, วันนี้นะทำไมไม่มีใครถามถึงเราเลยเราก็เป็นเสื้อสายศักยราชแท้ๆวันนั้นพดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราเป็นเสื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาเอ๊ะครอย่างนั้นเรา เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเสียเองมันจะดีมัม้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทำลายร่างฐานะสมจัตของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นบรพุทธเจ้าแทนอย่างนี้ความคิดอันเป็นบาปของเทวทัตไปคิดอย่างนั้น ต่อจากนั้นมาพระเทวทัตก็คิดทำลายรพระพุทธเจ้าแล้วด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเล่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านขี้เกลสแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนแหละพระเทวทันไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอุเบกขาทมอยู่ในใจ จึงได้เกิดอิทธาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายควาว่าอย่างนั้นในบางท่นเข้าใจที่ยกพระเทวทัตมาสูครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอ ย, ยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวนไปทั่วเลยออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะ ดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีๆดดเลยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่ไปคิด้ดยเนื้อต่ำใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทําไมเราถึงไม่ได้ดีไอ้มีคนยกย่องไม่ควร่าไปคิดอย่างนั้น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 นั้วก็เป็นสิ่งสาคัญพระพุทธเจากก้ายังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการเลยนะทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจึงผู้หนึ่งคนได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญได้สูงเคลื่อนไปผู้หนึ่งันไปไม่ถึงไหนย่อมตอกอู่ตามเดิม คราวนี้ก็เลยไปโทษครูบังคับบรรทามาลำเอียงอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราคูทำงานแทบประดาตายมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันต้องคำนึงถึงบุญกุศลโนนหลังกับบุญในปัจจุบันให้สมทบกัน นและผู้นนที่เพื่อนได้ยศฐาบรรดาศักก่อนเราได้รับความสนับสนุนยินย อ, อก่อนสแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากน่และบุญกุศลอันนั้นจึงมาโดนบรันรดาลสมทบกับบุญกุศลปัจจุบันนี้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็น้วยกย่องให้เกียรติให้ยศขึ้นไป แต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีภาษากที่เป็นบุทุชนนะยังวิจาร์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแต่งตั้งธรรมสารีบุตรพระมกคัลลาเป็นอัคตามุกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุธโธมีอยู่หลายองค์ทำไมถึงไม่แต่งตั้ง ให้เป็นอัคสาวกทำไมมาแต่งตั้งพรหนุ่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อนนี่เป็นอัคสาวกพระพุทธ อ, องค์ทรงทราบเข้าพระองค์จึงจึงได้ทรงแสดงอดีตข่านหลังในอัคสาวกขั้งสองนั้นให้พุทธโยตฺถทั้งหลายฟังว่า อาคัสาวกขั้นสองนี้ได้สร้างบุญกุศลบา ร, รมีทำปาจถนาเป็นอาคัสาวกของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งในอนาคตคงยกเรื่องราวของทันทั้งสองจะเป็นพริตสิบเป็นตะบอดีในทําบุญนำทานได้รักษาศีลในบำเพ็ญทานรมาบัติอยู่ในป่า หลายท่านหลายภพอาลีสุโงะนั่นแหละมาอาํานวยผลาหสในเมื่อท่านสร้างบุญบา ร, รมีเป็นเข้าขั้นแล้วที่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกองอื่นนั่นนะไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีปรารถนาเป็นอาคัสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนท่านทั้งสองนี่ ดนสร้างบา ร, รมีปาฏิาริย์เป็นอัคคเสาวของพระพุทธเจ้ามานี่ดังนั้นพระ อ, องค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นในทวารสารีบุตรเป็นอัคคเาวเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมกคันลานะเป็นอัคคาาเสวเบื้องซ้ายของพระ อ, องค์ดังนั้นเหตุน้นได้พากันเข้าใจ ไอ้ความเป็นไปในีวิของมนุษย์นี่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอมือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตกแต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยต่หอนหลังโน่นน่ะโนนส่งมา คนส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงบัจจัยของชีวิตการเก่ามานี้เหตุนั้ถึงไปชอบอิจฉาหรือสียาผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีจดทนอยู่ไม่ได้อิจฉาหรือสียาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้แต่สมควรจะจดจำเอาไว้ องควรจดจำเอาไว้แล้วปกติปฏิบัติตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความคอ ย, ยินดีด้วยขอให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เราไม่ได้รับความยกย่องก็ตามก็นึกว่าบุญของเรายังไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกต้อง ถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปน่ะทุกสิ่งทุกอย่างเงินไปนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะนนเนี่ยความเป็นผู้ เถิสันตุ์ถีตามมีตามได้อย่างนี้เน่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลภในลาบในยศในสนรริทสนิืนยนยอต่างขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุถีธรรมเ็นนิ่งอยู่ในใจแล้วมันก็ย่อมเป็นผู้ถี่ เกิดความโลภ ก, ก็ได้ใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเห็นเขาล่ำรวยก็อยากรวยก็เขาเมือเ่อเขามียศถาบรรดาศักก็อยากมีก็เขานี้ลนลนบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้เขาสเนสนอชื่อตนให้ยศให้ศักดิ์เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลย ได้มาด้วยอำนาจแห่งเงินไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องอดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนี่ให้มากๆทีเดียวเมื่อเราสนใจธรรมะรู้ธรรมะแลอย่างนี้ไปธรรมะรู้ธรรมะแลอย่างนี้ กิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจากจิตใจเมื่อเรามีธรรมะเหล่านั้นอยู่ในใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่นะเมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยอกิเลสอันความอิจฉาหรือสียมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจ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 แม้ว่าใครจะได้ลาบได้ยศจะได้รับคําสรรเสริญเนยนโยอย่างไรอย่างนี้ท่านก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงสูงต่ํากับลาบกับยศกับสรรเสริญเนยนโยต่างๆหมู่นั้นอย่นี้เนี่ยเพราะเหตุว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วจะรู้รู้ว่า ทุกเหตุทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปจะเป็นลาภย้ยสนั่เสริก็อตามความสุข ก, กายความสุขใจในโลกอันนี้เนะี่ยมันก็เป็นสุขโั่คราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แตกปวนแตกดับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามลาบยศสระเสร็จที่คนอื่นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาไปลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะค้นจากโลกระธรรมเหล่านี้ไปได้พอมีลาบความเสื่มลาบพอมียศความเสื่มยศ ความสนเบสนุความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกคืออยู่เป็นธรรมประจำกับร่างกายคนนีโลกหนึ่กก็เหมือนกับขนวัวขึ้นสวค์เหมือนกับเขาวัวมันจะเปรียบกันได้ที่ไหนนะมันก็มันถูกแล้ว มันยังคนมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแต่ละวัดเทียบกับคนอยู่ในบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านมันก็ขนหัวนะ ค, คนมาอยู่วัดมันก็เขาวัวเพราะฉะนั้นพระพอกถเจ้าขรงรู้แจ้ง เมื่อระยุคใดสมัยใดเหมือนกันหมดเลยเรว่าคนคนรีสินนั้นมีมากต่อมากคนมีสินนั้มีน้อยเนี่ยท่านหมายเอาเอาคนมีสินนะเป็นหลักเพราะว่าคนมีสินนี่ มันเป็นเครื่องจีดกันไม่ให้ไปตกนรกนี่นะไม่ให้ไม่ให้จะเกิดในอมายมุมทั้งสี่เนี่ยนะถ้าเป็นพูกไม่มีศีลแล้วนะมันกันไม่ได้เลยถ้าว่าอย่างว่าไม่ทำบาปนะักก็ทำบาปเบาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดี้ยงาน เป็นเกิดเป็นสุลกายหรือเป็นเปลดอย่างนี้นะบุคคลไม่คำรวมในสินนะโงโย่บุคคลนะที่เลื่อยังไม่รู้มันก็ต้องไม่ได้สนใจด้องสิน เมืันก็ทำบาปไปเมื่อได้ฟังคำสอนของที่เจ้าได้รู้แล้วเองตั้งเสตนาละเวทลงไปไม่ทำมันต่อไปอีกจเจริญเมตตาคารุณาให้ ม, มากๆเข้าไว้อย่ายินดีเท่เป็นคนอื่นเขาทำบาปก็ดีอย่าไปยินดีกับเขา ให้ปงถังเวทลงไปมีความสังเวทรดใจที่คนเรายังหลงไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะเพราะการทำบาปนี่นะมันเป็นเครื่องทวงชีวิตไว้ในโลกนี้ให้ค้นจากโลกนี้นะโลกหน้าไปไม่ได้พูดง่ายว่า เหตุจะ ไ, ไ, ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานกับพราบาปตี่เองเอมันหน่วงเหนียวชีวิตไว้บุญกุศล้วานมีแต่ส่งชีวิตจิตใจนี้ให้ใกล้ส่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆอืมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมัน น, น้นๆฟากันเข้าใจพูดพูดที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการละบาปการบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเอแล้วถ้ า, ากวาจ ะ, ะแสดงไปในธรรมะอันสูงกว่านี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติในสีลยังไม่ได้แล้วจะปฏิบัติธรรมะอันสูงกว่านี้ได้ยังไงอ่ะนี่แหละ นั่นต้องทำพื้นฐานนี้ให้มันสะอาดซะก่อนมันถึงจะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลสูงขึ้นไปขวนนั้นได้สินนี้ได้นคือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลยผู้มีศีล ม, มั่นคงแล้วอย่างนี้นะ นั่นจะทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของอะไรอะไรมันก็มีผลมากมันอย่างคนปรับพื้นดินดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไปเนีน่มันก็ย่อมงอกงามเจริญขึ้นได้ถ้าไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบ่มป่ายาไว้ลองดูที่ มันมีทางนะมันจะไปเจริญงอกงามก็ได้เต็มที่นะอันนี้นเปรียบเหมือนในบนะุคคลไม่มีศิลทําบาตรทํากรรมนะเราพากันทํทบ า, ททำำ า, าทบุญมันก็เหมือนกับไปปลูกข้าวหรือปลูกส้ม่วอข่า ห, าหนุนอะไรมุมฝ่ายยาวไว้นั่นแหละมันก็เป็นเทนนี่ตอนนั้นทุกคนให้ฟึงเข้าใจ เป็นมือหมวยของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจรักเหมืายความงั้นรักคือแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุด้านพระองค์เจ้าแสดงอริสงสศีลว้คล้ายคำให้ศีลนั น, นะเราต้องอไปพิจารณาดูสิ สินนี่อาหนวยขนใ้บุคคลถึงซึ่งพระนิพพานดูนะเนี่ยทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่จัดว่าทรงบุคคลให้ถึงพระิพานไม่มีที่จะสวรรค์เขาเร้ยกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีสิวก็ไม่มีทางห อ, อกที่จะไปสวรรค์ได้นบะุคคลละมุนลำทานนี่นะเออเป็นอย่นั้นเพราะฉะนั้นให้ว่ากันเห็นความสัาพันในสิน ให้มากมากอย่าไปอ้างลน้อนอ้างนี้อะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิรัลเว้นจากโทษ น, น, นั้นแล้วพ็เราจะได้ค้นจากทุกข์ในอบมยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ร้าพุด ย, ยัง ไม่ได้ปักกจลงต่อสินนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่ากว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนมน่นอนแหละพอพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่า น, นั้นแหละ อันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยทีเต็มที่เมื่อหมดบุญอันนั้นแล้ว <c oughs> ก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั้นอีกภายในภายหลังนี่ <c oughs> การที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทำมาแต่ผลหลังนั้นํามมาสนองได้ถ้า ต, ต่อเมื่อ รู้ตัวแล้วสมทานมันในศีลเข้า ไ, ไวเนื้อก็ไาไปพระภาวน า, าเข้าไปทำจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพมวิหารสี่ให้มีจิตประกอบกับเมตตาปาัทนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้าคันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตาย ความพินาศทิบหายต่างๆมีจิตปราสนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคองดองสามัคคีกันไม่เดียดเดียนซึ่งกันและกันกระรุ น, นามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากเทศช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความ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 แล้วก็นึกถึงกรรมอย่างนี้ก็จึงวางอุเบกขาลงได้ถ้าถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้วถเ้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เืิดร้อนเลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลวงรับไปหรือว่าถึงความผิบัติ ก็เตียอกเสียใจอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมนัม่นเลนึกถึงกรรมของสัตว์ดังนั้นเรื่องกรรมนี่นะอย่าไปลืมจาไว้ให้ดีทัว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนนี่นะภาวนาไว้เสมอเสมอท่านบุคคลทู่ไป ละเสียสิ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ย่อมเมื่อมีใครถึงความไม่พอใก็เสียใจแหละนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นพวกอื่นเขาได้ดีได้ดีก็แสดงความพอยินดีด้วยเมื่ออิจฉาตาร้อนถ้าหากความบุคคลไม่มีมุติตาจิต อยู่อย่างว่านี้ครัมันก็อิจฉาเลยเป็นคนอื่นเขาได้ลาบได้ยศมีคนสนัเสนญเยินยอมมากนี่ครับตนเองไม่ไม่มีใครสรัเสนินมีแต่คนนินทาว่ากได้ย่างนึนกว่โน้อยเนื้อต่ำใจแต่จิตก็คิดอิจฉาผู้ที่ได้รับความยกย่องนั้น เหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยคนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี่แหละมุตมุติธาติจิดไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาเสด็จเข้ามาถูกกรุงกบิลพัทมันดาพญาตทั้งหลายใครต้อนรับก็นำน้ำปานะ ไปถวายบ้างตอนนี้ปุวะสกวัติการอะรนั้นก็ไปถามหาแต่ท่านพระอานนท์พระอนุรุทธะบอกภาษารีบุตรพระหมกคลานะพระมหากัตตปะไปอย่างนั้นไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลย ก็เทวทาศน์ก็ น, น้อยใจแล้ววันนี้นะทําไมยังไม่มีใครถ า, ถามถึงเราเลยเราก็เป็นเชื้อสายปัจาัยราษฎรแท้ๆปูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาเอแค่อย่างนั้นเรา เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันจะดีมั้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทําลายร่างฐานพระสมจิตของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างนี้ความคิดอันเป็นบาปของระเทวทัตได้คิดอย่างนั้น ต่อจากนั้นมาพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าแล้วเนี่นด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเรื่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านขิน้เหน็ดแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนี่แหละพระเทวทัตไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอเมุเบกขาทมอยู่ในใจ จึงได้เกิดอิทธาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันเข้าใจที่ยกพระเทวทัตมาสูครั้งนี้ก็เพื่อที่จ ะ, ะแสดงให้เห็นว่าคนเราท่าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอ ย, ยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรไปทั่วเลยออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีเยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่าใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทําไมเราถึงไม่ได้ดีไอ้มีคนยกย่องไอ้คนที่จะไปคิดอย่างนั้น เราก็การทำความดีของคนเรามันแตกต่างกันบางทีบุญกุศลที่เราทำมามันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้อานวยผลให้แม้เราจะทำดีในวันนี้มากอย่างไรมันก็ยังพวกอื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นเนี่มันเรื่องปุกเพรกระตากุญญาตานี่นะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในฟางก่อนเนี่ย นั่ว่าเป็นสิ่งสาคัญเขาบอกเจ้าอย่างนั้ว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการเล้น ะ, ะทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจริงว่าผู้หนึ่งคนได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญได้สูงขึ้นไปผู้หนึ่งันไปไม่ถึงไหนย่อมตอกยู่ตามเดิม คราวนี้ก็เลยไปโทษคููบรรคับบรรทามาลำเอียงอย่างน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราครูทำงานแทบประดาตายเลยมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันต้องคำจนถึงบุญกุศลบนหลังกับบุญในปุวันให้สมทบกัน นั่นแหะผู้ที่เสื่อนได้ยศฐานบันดาล ก, ก่อนเราได้รับความสนะเสนุนยินยอก่อนแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากน่ะบุญกุศลอันนั้นคืมาโดนบันดาลสมทบกับบุญกุศลปัจจุบันนี้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นจะยกย่องให้เกียรติให้ยศขึ้นไป แต่ขรั้งพระเเจ้าก็ยังมีภาษากที่เป็นบทุช น, นยังวิจาร์ถึงเรื่องของพระเทเจ้าแต่งตั้งธรรมาสารีบุตรพระโมคคันลาเป็นอกักษรกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุธโธมีอยู่หลายองค์ทำไมถึงไม่แต่งตั้ง ให้เป็นอักษรวกทำไมมาแต่งสร้างพระนุม่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อนนี่เป็นอักษรวกพระพุทธองค์ทรงทราบเขา้าพระองคง์จึงได้ทรงแสดงอดีตข้าหนุนหลังในอักษรวกครั้งสองนั้นให้พุทธโยตฺถทั้งหลายฟังว่า อาคัสาวกขั้นสองนี้ได้สร้างบุญกุศลบา ร, รมีทมปารธนาเป็นอคัสาวกของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตตรองยกเรื่องราวของขันที่สองจะเป็นพลุสีกาเป็นสะบอดีในทาบุญํำทานได้รักษาศีลในบำเพ็ญทานสมาบัติอยู่ในป่า หลาย่านหลายภพบรลนนสองอ น, นั่นแหละมาอำนวยผลในในเมื่อท่านสร้างบุญบา ร, รมีเต็มเข้าขั้นแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกอง์อื่นนันนะไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีปรารถนาเป็นอัคคสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ตอนท่านทนั้งสองนี่ ได้สร้างบารมีปาณานาเป็นอัคสาวของพระพุทธเจ้ามาดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นในทวารสารีบุตรเป็นอัคส า, าวกเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมกคันลานะเป็นอัคส า, าวกเบื้องซ้ายของพระองค์ดังนั้นเหตุนั้นได้พาคันเข้าใจ ไอ้ความเป็นไปในชีวของมนุษย์นี่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็แต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นไปโดยเหตุด้วยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยแต่หอนหลังนู่นหนูนส่งมา คนส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยของชีวิตตังเก่ามานี้เหตุนั้นถึงได้อบอิจฉาหรือสียาผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดีกดด็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาหรือสยาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็สมควรจะจดจาเอาไว้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 ถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปละทุกสิ่งทุกอย่างเัินไปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละซึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกรรมจัดสิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากจิตใจนี่นะนี่ความเป็นผู้ เถิสันตุ์ถตามมีตามได้อย่างนี้เนี่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลอในลาบในยศในสนรริทสนิืนโยต่างขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุถีธรทมอันนี้อยู่ในใจแล้วมันก็ย่อมเป็นผู้ถี่ เกิดความโลภ ก, ก็เด็ใจอย่างที่ว่า น, นั่นแหละเมื่อเห็นเขาร่ำรวยก็อยากรวยก็เขาเมื่อเห็เขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีก็เขามีหล่นบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ด้ให้เขาสเสนอชื่อตอนให้ยศให้ศักดิ์เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลยได้มาด้วยอํานาจแห่งเงิน ไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องอดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนีให้มากๆทีเดียวมเมื่อเราสนใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้ไปธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจาก จ, จิตใจ เมื่อเราไมีธรรมะเหล่านั้นอยู่ในใจแล้ว mm hmm. ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่เนะี mm hmm. เมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยอ mm hmm. ทีเลอันความอิจฉาหรือเสีย hmm. มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจ mm hmm. อย่างนี้เลยก็ธรรมดาเลยบุคคลผู้ที่ ยังไม่รู้ทางของจริงมั่นก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเราต้องอาศัยธรรมะเ่านี่เป็นเครื่องอยู่ในใจมันจึงจะ ก, กั้นกางเสีเลสกรกสั ง, สงได้ท่านผู้รู้ถัดจะทำทำของจริงแล้วอย่างนี้เลยท่านพูดเป่นนั้นนะแม้ว่าใคร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 จะเป็นลาบยศสนรเสรินก่อตามความสุขกายความสุขใจในโลกอันนี้เนะี่ยมันก็เป็นสุกชั่วคราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปกปวนแตกกลับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามลาบยศสารเสินที่คนอื่นได้ผู mm hmm. ้ปฏิบัติธรรม เมื่อภาวนาันลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะค้นจากโลกธรรมเหล่านี้ไปได้ความมีลาภความเสื่มลาภความมียศความเสื่มยศความสนัสนุนความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจําโลกคืออยู่ เป็นธรรมประจำกับร่างกายชีวิตของคนเรานี่แหละในคำว่าโลกมันก็ท่านหมายเอาอุณภาพร่างกายคนเรนี้บางบางํานวนนะที่พระองค์เจ้าแสดงไม่ได้หมายเอาแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าแต่บางคานวนโลกนั่นหมายเอาแผ่นดินน้ำไฟลมอันเป็นที่อาศัยของสัตว์โลก อย่างนี้นะโลกมางสํานวนไม่เอาหมู่มนุษย์นี่แหละอย่างโลกกรทําแปะนี่อันนี้ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมอันนี้เป็นธรรมประจําโลกคือประจําชีวิตของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะอันนี้ ตอนนี้ผูดด้ใดมาได้ฟังได้รู้สุขกรําแต่อย่างนี้แล้วทั้งส่วนดีและส่วนชั่วกร็รรวนตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหวไปตามใครสนรเสริญเยินยอมากก็ไม่หลงไม่เพลินไปตาม ใจจิตชินนินทาว่าร้ายมาก็ไม่เสียใจไปตามสำรวมใจให้ตั้งเป็นกลางอยู่ได้จะประสบความสุขก็ไม่เพิดเพลินดีกับความสุขอันอาศัยวัตถุจริงของนั้นๆความสุขที่อาศัยเงินทองอาศัยข้าวของอาศัยลาบยศต่างๆมวบนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่างยืน ในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นมันมเสื่อมสิ้นไปความทุกขอันนี้ก็หมดไปตามกันเมื่อได้ประสบความทุกข์ทุกกายร่างกายสังขารโรคภัยใครเจ็บเบียดเบียนเจ็บหัวปวดท้องเจ็บแข้งเจ็บขาอะไรต่ออะไรหมดนี้นะก็ต้องพิจารณาเห็นว่า สตุสีขันหน้านี่มันเอนของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเลยใช่ไหมมันอยู่นิ่งๆเน่ยมันไม่ได้ถึงขามันวิบัติมันก็ต้องวิบัติตไปโกนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะออย่าให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ได้อย่างไรของไม่เที่ยงถอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามไปจริงอย่างว่านี้ไม่หวนไหวไปตาม ความทุกข์อันเกิดขึ้นจากร่างกายสังขารนั้นอันนี้แหละท่านกล่าวว่าผู้ใดมีดจิตใจทั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดอย่างนี้แล้วผู้นั้นย่อมมีจากจิตใจของท่านผู้นั้นเอให้พากันเข้าใจนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามีหวั่นไหวอยู่บ้างแล้วก็รู้เท่าอยู่บ้าง อย่างนี้ก็ยังดีนะเออดีกว่าไม่รู้เท่าเสียเลยก็เมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนะเมื่อได้ประสบโลกกระทำเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็ย่อมมีความหวันไหวเป็นธรรมดาแต่แล้วเมื่อมารู้เท่าเมื่อพี่นารู้เท่าแล้วมันก็ตั้งมั่นลงได้ไม่หวันไหว อันนี้เราก็ฝึกไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้ที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหานี่ะต้องฝึกใจไปอย่างนี้แหละคนเช่นอย่างโครคภัยใกล้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะร่างกายเป็นทุกข์ทนทรมานเจ็บปวดอย่างนี้แล้วกดอดกดทนเอาเพราะพี่นาเห็นว่า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 เราจรึงได้มาเกิดอาศัยขันหานี่อยู่เมื่อมาอาศัยขันหานี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ท้องอดต้องทนเอาเพราะเรามาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่ออย่างนี้แหละสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้